ก่อนที่จะคุยอะไรกันก็นแล้วแต่ถ้าหากว่าพื้นจิตพื้นใจของเรามองตรงกันมองไปในทางเดียวกันมันก็จะทำให้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็กระแสะจิตมันเหมือนจูนปรับเข้าหากันเป็นคลื่นเดียวกันนะคลื่นของความสุขคลื่นของความปล่อยวางคลื่นของความรู้คลื่นของความตื่น ในแบบของพุทธคำว่าพุทธถ้าหากว่าเราได้ยินครั้งแรกนะเกิดความรู้สึกะว่างเกิดความรู้สึกว่ามันมีความรู้อะไรขึ้นมาอ่อนนั่นนะตัวนั้นนะคือความเป็นพุทธแท้แต่ถ้าได้ยินคำว่าพุทธแล้วนึกถึงแค่ว่าจะมากราบไหว้จะมาสวดมนต์จะมาทําบุญอันนั้นเป็นแค่ พื้นฐานของศาสนาทุกศาสนามันไม่ได้มีความต่างกันเลยเป็นแค่ความสว่างแบบตื้นๆแต่ถ้าเป็นความสว่างแบบของพุทธมันจะมีความรู้สึกถึงความนิ่งรู้สึกถึงกระแสะความสว่างอันเกิดจากการตื่นอันเกิดจากการรู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ในแบบที่จะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์พรรู้แบบอื่นบางทีเนี่ย รูเหมือนกันนะแต่ว่ารู้แล้วยังทุกอยู่แต่ถ้ารู้แบบพุทธเนี่ยถ้าเป็นพุทธแท้ๆนะเราจะรู้สึกได้ถึงความสะอาดความปลอดโปร่งความสบายความไม่มีทุกข์ลักษณะของจิตแบบที่มันเป็นพุทธถ้าหากว่าก่อตัวขึ้นพร้อมๆกันในขณะที่เรามาเริ่มต้นเสซเวกันวันนี้เนี่ยนะ มันก็เหมือนกับสร้างความสว่างขึ้นมาเป็นที่สบายแก่กันและกันเหมือนเป็นญาติกันมีความเป็นพวกเดียวกันมีความไม่เป็นอื่นต่อกันสามาที่แบบพุทธ ที่พระพุทธเจ้าสอนสอนนักสอนหนานะก็คือให้เข้ามาดูลมหายใจลมหายใจเป็นแค่ตัวตั้งต้นเป็นแค่เครื่องสังเกตที่สังเกตไปมากๆแล้วเนี่ยมันนำไปสู่ความรู้ความตื่นงานเห็นความจริงว่า ถิ่งทเรานึกๆอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเป็นร่างกายของเราเป็นลมหายใจของเราแท้ที่จริงแล้วมันเป็นแค่ธาตุที่มาประชุมกันชั่วคราวอย่างเช่นลมหายใจมันผ่านเข้าผ่านออกจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลมหายใจของเราเลยแม้แต่ละลอกเดียวตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันเป็นแค่ธาตุลมผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปแต่ด้วยใจที่เต็มไปด้วยอุปาทานของเรามันคอยแต่จะไปยึด หายใจครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเรากําลังหายใจลมหายใจเป็นของเราเรลมหายใจมันผ่านคืนออกไปหมดแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็เกิดความรู้สึกอูปทานขึ้นมาว่ามันเป็นลมหายใจชุดเดียวกันกับเมื่อกี้นี้มันเป็นอันเดียวกันไม่แตกต่างกันต่อเมื่อเรามานั่งสมาธิแบบอาณาปานสติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันถึงเกิดข้อสังเกต ก็สังเกตว่าจริงๆมันเป็นแค่ธาตุลมผ่านเข้าผ่า น, านออกคนลชุดกันตลอดเวลานอกจากผ่านเข้าผ่านออกเป็นคนละชุดกันแล้วเนี่ยมันยังมีความไม่สม่ำเสมอไม่เท่าเดิมเดี๋ยวบางครั้งก็ยาวเดี๋ยวบางครั้งก็สั้นพอสังเกตเห็นอยู่อย่างนี้จิตมันกลายเป็นจิตแบบพุทธขึ้นมาคือมันมาเป็นผู้สังเกตการมันมาเป็นผู้เห็นความจริงอยู่เฉยๆเอาละเริ่มต้นขึ้นมา แทนที่จะไปตั้งหน้าตั้งตาดูลมหายใจหรือว่าพยายามจะบริกรรมใดๆให้มันเกิดความสงบให้มันเกิดความระ ง, งับอาการฟุ้งซ่านเราก็มาตั้งต้นนับหนึ่งจากการสำรวจร่างกายที่เป็นปัจจุบันอยู่ก่อนร่างกายที่เป็นปัจจุบันส่วนที่สังเกตง่ายที่สุดคือส่วนที่สัมผัสกับอะไรอยู่จริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมานั่นก็คือฝ่าเท้าลองดูว่าฝ่าเท้าเราวางราบอยู่กับพื้นเนี่ยมันรู้สึกยังไงอยู่ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันมีอาการเกรง็งรู้สึกว่ามันมีอาการแน่นๆนี่เรียกว่าเรากําลังเกร็งอยู่ร่างกายกําลังสะท้อนถึงภาวะของจิตใจที่มันมีความปุ้งสซ่านหรือว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่เหนียวแน่น ถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงอาการงองม้มรู้สึกถึงอาการเกรงกล้ามเนื้อของฝ่าเท้าได้แล้วผ่อนคลายออกรู้สึกสบายที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าวางราบอยู่กับพื้นด้วยความรู้สึกสบายมันก็กลายเป็นพื้นจิตพื้นใจของเราเนี่ยมีความสบายตามไปด้วยจะเห็นเลยนะใจเบาลงใจมันเหมือนกับสบายขึ้นแค่รู้สึกที่ฝ่าเท้านี่แหละจากนั้น สารวจขึ้นมาว่าฝ่ามือของเราที่วางอยู่กับหน้าตักเนี่ยมันมีอาการยังไงมันมีความกรรมําหรือมีความแบถ้าหากว่ามีอาการกำนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ของความยึดมั่นถือมั่นนะมือเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความยึดมั่นถือมั่นที่ดีที่สุดเวลาที่มันกรรําแต่เวลาที่มันคลายเวลาที่มันแบเวลาที่มันวางราบอยู่เฉยเฉยไม่มีอาการของกล้ามเนื้อที่มันเกร็งใดๆนะ ตัวนี้มันก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความปล่อยวางได้เหมือนกันว่าเวลาที่เราปล่อยเวลาที่เราวางเนี่ยมือมันจะแบออกทั้งหมดนิ้วทั้ง5้าเนี่ยมันจะคลายออกทั้งหมดไม่มีอาการเกาะเกี่ยวไม่มีอาการกำเข้ามาไม่มีอาการที่กล้ามเนื้อมันจะทำงานใดๆนี่เรียกว่าเราเห็นถึงความจริงนะส่วนของร่างกายอาวัยวะของร่างกายที่สะท้อน อาการยึดมั่นถือมั่นของใจได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือฝ่ามือนี่แหละฝ่ามือคลายออกหมดเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าใจกำลังไม่กำอะไรไว้แต่ถ้าหากว่าฝ่ามือมีอาการเกร็งๆอยู่แน่นๆอยู่หรือว่ากระทั่งนีหลายคนเนี่ยมีอาการกำโดยไม่รู้ตัวนี่ก็คือเครื่องสะท้อนว่าจิตใจของเรากำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่เหนียวแน่น ถ้าหากว่าเราสํารวจทั้งฝ่าเท้าและฝ่ามือขึ้นมาสบายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าว่างว่างจากอาการยึดว่างจากอาการที่มันมีความเกรงมันมีความฟุ้งซ้านต้นเหตุความฟุ้งซ่านหายไปนี่ไม่ต้องอยากให้หายฟุ้งซ้านนะแค่สํารวจไล่ขึ้นมาฝ่ า, า, าเท้าฝ่ามือแค่นี้ความฟุ้งซ้านมันหายไปได้แล้วจากนั้นลองดูต่อมาว่า ใบหน้าของเรามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าขมวดอยู่ไหมหัวคิ้วของคนเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยนะมันจะขมวดอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้สึกถึงอาการขมวดมันก็ทำให้มันคลายออกไปเพราะว่าพอฝ่าเท้าฝ่ามือมันคลายได้แล้วเนี่ยหัวคิว้วหัวคิ้วเนี่ยมันคลายตามไม่ยากหรอกต่อให้เป็นคนเครียดมาคิดคิดมากมา ถ้าหากว่าป่าเท้าฝ่ามือมันคลายแล้วเนี่ยหัวคิ้วมันก็พร้อมที่จะคลายออกตามหรือถ้ามันยังตึงๆขมับ อ, อยู่แค่รับรู้ถึงอาการตึงตรงนั้นนะมันก็จะคลายออกได้เองเช่นกันถ้าฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าเนี่ยมันมีอาการคลายออกได้หมดก็จะเกิดความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันผ่อนคลายสบายตามไปด้วยนั่นก็เพราะว่า กล้ามเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันผูกอยู่กับสามจุดหลักๆนี่แหละถ้าเท้ามือแล้วก็ใบหน้ามันมีอาการผ่อนคลายออกได้หมดกล้ามเนื้อทั้งตัวก็เหมือนกับจะผ่อนพักได้หมดเช่นกันถ้าเกิดมีอาการเกรง็งมีอาการก ร, รมหรือว่ามีอาการงองอุ้มอะไรขึ้นมาใหม่ล้วก็กลับไปนับหนึ่งใหม่เลยไล่ขึ้นมา จากเท้ามาถึงมือจากมือมาถึงหน้าจะเห็นว่านอกจากความรู้สึกสบายผ่อนคลายไปทั่วตัวเนี่ยนะมันยังมีสิ่งที่ดีที่สุดตามมานั่นก็คือสติมันเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวปกติเนี่ยคนเราเนมันมีอาการพุ้งซ่านไปมันมีอาการกอดแก่งไปตามมเรื่องที่ เ, เป็นเหยื่อล่อภายนอก แต่ละคนมีเหยื่อล่อเฉพาะตนแต่จะมีเหยื่อแบบไหนก็ตามเนี่ยมันล่อให้จิตออกข้างนอกเหมือนกันหมดเนี่ยนี้พอเรามาสำรวจเท้ามือแล้วก็ใบหน้ามันเกิดความรู้สึกเหมือนกับเออมันเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวที่กำลังอยู่ในท่านั่งมันเหมือนกับท่านั่งที่มันมีความสบายเนี่ยมันปรากฏต่อจิตของเรา รู้สึกว่าเนี่ยร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้อยู่จะคอตั้งหลังตรงหรือว่ามีอาการวางอยู่ในลักษณะไหนมันปรากฏอยู่กับใจคือไม่ใช่ไปเพ่งไม่ใช่ไปปั้นไม่ใช่ไปจินต น, นาการเอานะแต่มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่าเนี่ยตัวเนี้ยที่มันคอตั้งหลังตรงอยู่มันอยู่ในท่าแบบนี้ เมื่อร่างกายมีความพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของจิตที่สบายนี่ในตัวนี้แหละที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสมาธิจุดเริ่มต้นของการมีสมาธิมันไม่ใช่เราไปพยายามเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไล่สำรวจตามจริงว่าภาวะของร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ เต็ไมไปด้วยความเครียดแต่ไมไปด้วยความเกรงหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความเครียดถ้าหากมีความเกรงแล้วเราไปปล่อนคลายมันซะจิตใจมันก็สบายตามไปด้วยจิตใจที่สบายจำไหมนะจิตใจที่มันมีความเปิดจิตใจที่มันมีความกว้างจิตใจที่มันมีความปลอดโปรง่งอันนั้นแหละจุดเริ่มต้นของสมาธิจิตแต่ถ้าหากว่ามีแต่ความฝืนมีแต่ความคับแคบมีแต่อาการเกรงหรือว่าเล็งอะไรอยู่แคบๆเนี่ยนะ ตัวนี้นอกจากจะไม่ทำให้เกิดสมาธิแล้วเนี่ยมันยังก่อให้เกิดความเครียดก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความรู้สึกเป็นลบกับตัวเองถ้าตั้งกายสบายแล้วจิตใจมีความพร้อมแล้วคำนี้เราก็มาเริ่มต้นที่จะเจริญอาณาปานสติตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนกันท่านสอนว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความ่ ความหมายมันคืออะไรความหมายคือว่าถ้าถึงเวลาที่ร่างกายอยากได้ลมหายใจเข้าล้วก็หายใจเข้าบางคนอาจจะถนัดฟองท้องออกนิดนึงเพื่อที่จะลางลมหายใจยาวเข้ามาสบายสบายว่ามันมาสุดอยู่ที่ปอดจะเกิดความรู้สึกอึดอัดในอกขึ้นมาก็รู้ว่านั่นถึงเวลาที่จะระบายลมหายใจออกพอระบายลมหายใจออกจนหมด เกิดความรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวตึงไม่มีลมหายใจมันก็สามารถตั้งอยู่ได้แป๊บหนึ่งนี่ตัวนี้เราก็เห็นความปลอดโปร่งของการไม่มีลมหายใจมันเป็นส่วนให้เกิดสมาธิทั้งนั้นนี่สังเกตเข้าไปที่ใจถ้ามันมีอาการอยู่อย่างนี้นะมันไม่มีความโลภมันไม่มีความอยากไม่ได้อยากสงบไม่ได้อยากหายพุ่งสร้างไม่ได้อยากให้เกิดลมหายใจ เข้ามาทีทีหรือว่าออกไปทีทีแต่ว่ามีแต่อาการสังเกตว่าถึงเวลาลมหายใจเข้าหรื อ, อยังถึงเวลาลมหายใจออกหรื อ, อยังถ้าไม่ถึงเวลาลมหายใจเข้าไม่ต้องดึงลมเข้าไม่ถึงเวลาลมหายใจออกก็ไม่ต้องระบายลมหายใจออกหยุดอยู่เฉยๆร่างกายมันก็อยู่ได้ไม่ตาย การที่เราทำให้จิตอยู่ในภาวะของผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตการมันจะตัดตัวความโลภตัดตัวความอยากตัดตัวต้นเหตุของความกระวนกระวายออกไปมันเหลือแต่อาการดูอยู่เฉยๆอาการดูอยู่เฉยๆนี้เนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะพัฒนาขึ้นกลายเป็นสมาธิที่บริสุทธิ กล่าวคือเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบอยู่ด้วยความโลภไม่ประกอบอยู่ด้วยความอยากปกติเนี่ยจิตของคนจะมีความอยากย้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะอยากแล้วมันก็กระวนกระวายแสดใส่ทางซ้ายทีทางขวาทียื่นออกไปในอนาคตบ้างถอยกลับไปในอดีตบ้างแต่พอมันอยู่กับลมหายใจแบบที่ไม่ไม่มีอาการคาดหวังไม่มีอาการ รอรอคอยนะมันเห็นแี่ว่าเออถึงเวลาเข้าก็เข้าสิถึงเวลาออกก็ออกสิถึงเวลาหยุดก็หยุดสิจิตมันก็อยู่กับปัจจุบันตัวจิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความปลอดโปร่งให้ความรู้สึกที่ดีตัวนี้แหละที่เรียกว่าความสุขมันเป็นความสุขทางจิตเป็นความสุขอันเกิดจากความรู้สึกปลอดโปร่งไม่ต้องยื่นไปข้างหน้าไม่ต้องถอยไปข้างหลัง อยู่กับที่รู้สึกสบายดีอยู่แล้วเมื่อเกิดความรับรู้ว่าจิตที่ปลอดโปรโง่งจิตที่ปราศจากความอยากมันมีความสุขมันมีความปลอดโปรโง่งเราก็จะเห็นความจริงในขั้นต่อมาว่าเมื่อเกิดกลุ่มความฟุ้งซ่านก่อตัวขึ้นมาในหัว ค, นนคิดน้อนคิดนี่กระวนกระวายไป ความสุขมันก็หายไปตามกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนทุกข์อันเกิดจากการฟุ้งร้างเราไม่สังเกตนะจริงๆแล้วแค่มีความคิดก่อตัวขึ้นมาทําให้อยากโน่นอยากนี่นิดเดียวมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันเกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายทางจิตขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าเป็นการเห็นความไม่เที่ยงของความสุข เมื่อกี้เราเห็นแค่ความไม่เที่ยงของลมหายใจคราวนี้เราเห็นว่าออแม้กระทั่งความสุขที่มันเป็นความสุขทางใจเป็นความสุขอันเกิดจากการที่ไม่อยากโน่นไม่อยากนี่เนี่ยมันก็แปรปรวนไปได้เพราะว่าคลื่นความพุ่งฟร้านที่มันก่อตัวขึ้นมาในหัวเนี่ยนะมันเป็นการทำงานของสมองเป็นเรื่องของไฟฟ้าในสมองมันเป็นเรื่องของคลื่นอะไรบางอย่างคลื่นพลังงานที่มัน ยังพอยังไม่ส ง, งบถึงที่เนี่ยมันก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่เรื่อยๆสำคัญคือว่าพอคลื่นความคิดมันก่อตัวขึ้นมาในสมองเนี่ยจิตมันจะไปหลงผิดยึดว่าเนี่ยเป็นความคิดของเราทีนี้พอมันมาเห็นอยู่เห็นว่า จริงๆิจิตไม่จำเป็นต้องคิดก็ได้มีความปลอดโปร่งอยู่เฉยๆมีความสบายอยู่เฉยๆมีความสุขอยู่เฉยๆเป็นอิสระอยู่เฉยๆในอยู่ๆเคลื่อนความคิดมันก็ก่อตัวขึ้นมาในหัวโดยไม่ได้เชื้อเชิญ น, นี่อย่างนี้เรียกว่าเราเห็นความจริงที่สำคัญเข้าแล้วนะความจริงนั้นก็คือว่า จิตเนี่ยเป็นอิสระอยู่เฉยๆก็ได้มีความรู้มีความตื่นอยู่เฉยๆก็ได้เห็นว่าลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกอยู่แค่เนี้ยแต่พอเคลื่อนความคิดมันก่อตัวขึ้นมาปุ๊บจิตมันเข้าใจผิดทันทีไปหลงยึดว่า เ, ออเนี่ยเป็นความคิดของมันน้อก็เกิดตัวเกิดตนเกิดมนโนภาพว่าเราเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั้นชื่อนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา นี่นตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นความเข้าใจผิดเนี่ยมันเกาะกินพวกเรามาตลอดช่วกับช่วกันก่อนกับก่อนกันถ้ามาเจอเจริญอาณาปานสตินั่นคือสังเกตลมหายใจเข้าออกสังเกตอาการทางใจสังเกตความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์สังเกตความฟุ้งซ่านที่มันก่อตัวขึ้นมาเป็นระลอกระลอกมันค่อยเห็นความจริงขึ้นมา ว่าจิตอยู่ส่วนจิตกายอยู่ส่วนกายจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันจิตเป็นผู้รู้กายเป็นผู้แสดงเมื่อเห็นความจริงอยู่อย่างนี้แล้วเกิดความรู้สึกว่าเออเราเห็นความไม่เที่ยงก็เกิดความพอใจว่าเราเห็นความจริงไม่จะเห็นในสิ่งที่อุปท า, านบังคับให้เห็นมาตลอดช่วกับช่วกัน จากนั้นเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างต่อได้ขยายต่อ ย, ยอดมันกลับไปวนเวียนดูเนี่ยว่าลมหายใจมันก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมันแสดงความไม่เหมือนเดิมมาตลอดนะทำไมเราเข้าใจผิดมาตลอดเช่นกันว่ามันเป็นลมหายใจของเราเพราะความรู้สึก ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ต้องรู้เหนือรู้ใต้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองเนี่ยที่ก่อตัวขึ้นเองนั่นแหละที่เรียกว่าอุปาทานที่มันครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาต่อเมื่อเรามาสังเกตแบบที่พระพุทธเจ้าให้สังเกตว่าเออมันไม่เที่ยงมันไม่เท่าเดิมมันเป็นลมคนละลอกกันยาวสั้นไม่เท่ากันนี่มันถึงเกิดความรู้ความตื่นขึ้นมาเห็นความจริงจากนั้นเห็นว่าเออจิตมันมีความสุขเพราะว่า ปลอดตรงเป็นอิสระอยู่มันก็กลับเป็นทุกข์ขึ้นมาได้พอมีคลื่นความพุ้งซ่านขึ้นมาบีบให้คิดไปบีบให้คาดหวังไปบีบให้อยากนั่นอยากนี่เนตัวนี้ความทุกข์มันก็กลับมาก่อตัวขึ้นมาใหม่นี่ก็เป็นการเห็นความไม่เที่ยงของสุขเห็นความไม่เที่ยงของความทุกข์ และแม้แต่สภาวะจิตเองบางทีมันก็นิ่งสงบนะตอนที่มันรู้สึกพอใจในอิสรภาพของตัวเองเนี่ยมันก็มีอาการเหมือนกับนิ่งนิ่งสบายสบายแต่พอความฟุ้งซ่านมันก่อตัวขึ้นมาเนี่ยความสงบมันก็หายไปสภาพทางจิตมันก็มีอาการเสื่วนมันมีอาการเปล่นแปลไปเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ซ้ำไปซ้ามา จากลมหายใจมาถึงสุขทุกข์จากสุขทุกข์มาถึงความสงบบ้างความผุ้งคล้านบ้างของจิตนี่เรียกว่าเห็นเข้ามาในขอบเขตของกายใจแล้วนี่เรียกว่าเจริญสติแล้วเป็นการเจริญสติเต็มขั้นแล้วแต่ถ้าหากว่าจะต่อยอดให้มันรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยก็คือเราต้องมาดูกันตอนลืมตาด้วยไม่ใช่เอาแต่หลับตาอย่างเดียวอยู่ระหว่างวันเนี่ยถ้าหากว่า เราสามารถเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจเห็นความไม่เที่ยงของสุขทุกข์เห็นความไม่เที่ยงของจิตที่มันสงบบ้างผุ้งสรานบ้างเห็นไปเรื่อยๆนะในที่สุดมันก็จะเข้าถึงความจริงที่อริยเจ้าท่านสนใจกันอย่างที่เรียกว่าอริยสัจความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านคนพบก่อนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาพบตาม เป็นอริยเจ้ากันตามพระพุทธเจ้าเอาละวันนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มเข้าสู่ช่วงของการเสวนากันนะมาถามตอบหลังจากที่ได้นั่งสมาธิกันแล้ว